มงคลชีวิตมงคลที่19การงดเว้นบาปอารตีวิรตีปาปาเอตัมมังคลมุตตังการงดเว้นบาปหมายถึง กุศลและเจตนางดเว้นการกระทำบาปทั้งหลายลักษณะบาปที่ต้องงดเว้น 1. ปานาติบาทการทำชีวิตให้ตกล่วงไปตายไป 2. อธินนาทานการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้โดยอาการแห่งขโมย 3. การเมสุมิฉาจารความประพฤติผิดในการ 4. มุสาวาดการพูดเท็จ 5. ปิสุณะวาจาคำพูดส่อเสียดยุยงให้แตกกัน 6. พภรุสวาจาพูดหยาบคาย 7. สัมผับปลาปะคำพูดเพ้อเจอ้อ 8. อภิชาความละโมก 9. พยาบาทคิดร้ายเพ่งทำลายผู้อื่น 10. มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากคลองธรรมเช่นเห็นว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีผลนอกจากบาปเหล่านี้แล้วช่องทางที่จักทำให้บาปเกิดหรือจเจริญขึ้น ก็ควรงดเว้นเสียด้วยเช่นการเที่ยวกลางคืนและการดื่มสุราเป็นต้นทำที่ทำให้งดเว้นบาปทำที่เป็นเหตุให้งดเว้นบาปดังกล่าวได้นั้นได้แก่กุศลเจตนาหรือความตั้งใจที่เป็นกุศลที่จะไม่ละเมิดชีวิตผู้อื่นเป็นต้น ซึ่งกุศลละเจตนา น, นี้อาจเกิดจากการรับศีลจากพระสงฆ์ก็ได้หรือเว้นเองเพราะตนมีเฮริโอต ป, ปะก็ได้ทำให้เกิดศีลและมีศีลสมบูรณ์ไม่ขาด<ห>การลดเว้นบาปจ<า>ัด<า>เป็นมงคลเพราะ 1. เป็นผู้ห่างไกลบาป จเจริญด้วยบุญกุศล 3. เป็นผู้ไม่เดือดร้อนใจภายหลัง 4. เป็นผู้ไม่ทำผิดกฎหมายและศีลและธรรม 5. มีสุขคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปหลังจากที่ตายไปแล้ว